อันแหละต้องปรับปรุงให้ดีไม่ดีขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายดังวัตถุ ที่เขาท่องอวกาศเที่ยว อ, าอาวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ท, ทุกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับยินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณกะจนพอแม้ทช่ น, นั้นคนยังเกิดาาดูประสาดได้เมื่อ ยานประหารไดะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นลุกศ ร, รแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเคียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุง คุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั้นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทยานออกจากมหาสมุทิมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิลเลสประเภทต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงต้องใด้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความหยากความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแบบว่าดไปจากความหยากละเอียดต่างๆของขั้นสมมติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จําต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมวันจะผ่าน ความอยากแห่งสมมติคือกิเลสไปได้ด้วยทมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติมีการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรกอ็หนักแน่นความอุตสาห์พยายามทุกแน่ทุกทางมีความหนักแน่นด้วยกัน กิปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำจิตออกก้าวเดินและแวกสิ่งทั้งหลายที่จิตขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคกิตาภรนารวนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรปับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การท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 ขั้น อ, อากาศอันนี้ไปก็จะเทียบก่อนว่านอกเป็นสมมุติอีกขั้นหนึ่งเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแลวต่างกันอย่างไรบ้างกับโลกที่อยู่กับอากาศนี้กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าอาวกาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกัน จิตที่อยู่ในวงสมมูิอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับจิตเหมือนกับที่สิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ย่อมดอึถูกความดึงดูดดูดตลอดเวลาจิตใจก็ย่อมถือความดึงดูดจากที่เหลวตลอดเวลาเช่นเดียวกันออกไม่ได้ จึงต้องได้ปรปับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกา ร, รมตัญหาภาวะตันห า, ะ ว, ะนหาวิภาวะตันหาเป็นต้นปริยายหรือ ก, กิ่งก้านขาแขนงนั้นนับประมาณไม่พ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมตินี้ ด่วนแรกแต่เป็นสิ่งที่จะให้กิจติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นฆาตศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ปสําำคัญมั่นหมายผิดๆไปเสียเอง้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตภาวนา จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้อาจากสิ่งกดทวงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในมัใจของตอนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วายสัตโลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้าน กี่พบกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวก ด, ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศ จ, จรรย์ของพระโพธิเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแวกว่าจากความดึงดูดความกดท่วงกดขี่บังคับเหล่านี้ออก ไปได้โดยลำดับตำดานับตั้งแต่ระสาวกป e ปฐมสาวาของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นวาราสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทาหน้าที่เช่นนั้น เหมือนไกน่นับแต่แต่วันให้ตรัสจะรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในท้ำกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นไป เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทาก็เหมือนกับผู้ตะเกียบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของกระตุธิจคิดทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนั่นแหละแล้วขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมด ความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อาศาสนธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แหละที่นี่จำพวกเหล่านี้เป็นจำพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทติดขึ้นสู่ลำเรือแล้วนั่นเป็นผู้พ้นไปได้โดยลำดับลำนาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสี่จำพวก นั่นเองตั้งแต่จำพวกอุคติตันยูวิปปิกตันยูเนยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือจนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึง่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันจัดจรุแล้วจนกระทั่งาศาสนธรรม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 ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพา ะ, ะอย่างยิ่งด้วยจิตาภาณะยงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่นดึงดูดทั้งหลาย หรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยยาชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาแผลเรานั่นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรสิ่งดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดช่วย ม, มงคลแต่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอปมงคลแก่เราโดยลาดับลนนาตามแต่ความเชื่อ ความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล่มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล่มละลายไปตามมันยังไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งๆที่ททาศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดล่าแต่จิตใจ ไฟทางต่ำเคี้ยมากกว่าสาสนาธรรมก็จาเป็นต้องในถูกลอยแพรไปตามนั้นนี่เราทั้งหลายไม่แช่ประเภทลอยแพรเป็นประเภทที่จะแวกว่าตัวเองให้หลุดพน้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถึก การประกอบความพิพากเปลี่ยนว่าเป็นความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิหนาและอาใจียว่าเป็นสิ่งที่ทํายากแก้ยากตะเกียบตะกายลําบากลําบนการตะเกียบตะกายการอุตสาหพยายามนี้เป็นวิธีถารืเป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ําอันเป็น แรงแห่งโล ก, กนานาโลกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธการท่านเอาจิงเอาจังคำว่าพุทธังสนังกระฉามิก็ดีสังฆังสนังกระฉามิก็ดีให้พึงละลึกน้อมธรรม จากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเรานี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้วคำว่าสังพุทธทางสนางกาฉามีเราก็ทราบแล้ว ว่ามีความลำบากลำบุญขนาดไหนนี่เอามาประทับไว้ที่ใจของเรานี่ล่ะศาจดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงรหนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมาก ในความเป็นขษศัตร์เวลาเสด็จออกทรงประหนดเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปั จ, จัจสี่นอกจากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทยัยอันเกี่ยวดวงไปถึงสมบัติพตระปรานไพฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัด ออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความพาสุขสบายไม่ได้เนี่ยเราไม่มีบริษัทบริวารไม่มี พ, พื่ฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวช ด, ด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอน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 มีความเชื่อคอนันใสต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านพูดตระวนึปฏิบัติดีเป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจินไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัยสี่มีผิดกันกันกบพระพุทธเจ้าอยู่มากในบรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทคำพระพุทธเจ้า รองลําดับจากพระพุทธทเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวกบรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธทเจ้าในบรรดาปัจจัยสี่เพราะเขาเกิดความเชื่อความล้ำสายแล้วแม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้งสี่ยิ่งกว่าความยินดีในอัตในธรรมความดีๆในการในการประกอบความภาพเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกโดยไถ่เดียวเท่านั้นนี้เป็น สิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวล น, นี้ได้มอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์เรางค์ด้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบุญมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะทมเป็นสิ่งที่เลิ่ที่ประเสริฐ ใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปดุลยับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอาททํานาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทําให้บุคคลรับความพลาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้ มันรู้ว่าทรรมนี้เลิอจยิ่งกว่ามันเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกบาบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นและแดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้ หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวโดวยเห็นนี้ผู้ประกอบความภาคเกียรติงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอุปยาบทใดจะเองจะเอียงไปเข้าความดึงดูดของมันอยู่นั้นแหล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 ของกิเลสที่จะให้พลาดให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกุลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำหนับตำราเมื่อไหร่นั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าด้วย ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงประทยัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศทำสอนโลกจิงเต็มไปด้วยพระเมตตาใ ห, ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกรกันตัดที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั่นจริงๆและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่จะเคื อ, อนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้น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 เคยได้ยินอยู่เสมอว่าคุทธกิจห้านั่นนั่นละ่ะพระองค์ไม่ทรงต่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์ น, นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวลาพระองค์ประทรับอยู่ที่ป่า ปลาเลหลยทรงจำมันษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกสุสงทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่อง ความเห็นประจักษ์พระไท่ทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแย ก, แยกออกเป็นข้แหนงขัแนง ทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนทั้งฝ่ายทำรรซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัดโลกพูดที่จำเจยอยู่ด้วยความทุกข์ความทรามานมาตั้งแต่กับไหนการไหนการใดซึ่งพอมีปณิสัยสามารถที่จะรับทราบธรมความประเสรเิฐเลิศเลยจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจใเฉย เมื่อได้ฟังศาสนาธรรมที่ประกาศจังหวะอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงควาว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือคือทุกจริงจริงฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกเผาโนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมา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 เป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความใฝ่อกใฝ่ใจทุกติยาบทุที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อทานี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าือจากพระโอษฐของภูมเองซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกยังเกิดความเชื่อความนังใจบางท่านได้รู้ อดตู้ทําเห็นอดเห็นทําพ้นจากทุกไปโดยลําดับตําดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อประาพาของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตํำรับตาลา ว, ว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดเวนยศัสตร์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรุธรรมถึงที่สุดวิมุติพรนิพพานจํานวนไม่น้อยนี่แหละ ของกิงต่อของกิงเข้าวประสบกันย่อมชนิดกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักทมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ทมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ แสดงในครั้งพุท ธ, ธการและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุท ธ, ธการกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกานันดังเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจะธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้เลยทั้งครั้งพุท ธ, ธการและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัต แนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีสีมีสมาธิ ม, มีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกข์สัตว์ย่างกินใจและรื้อถอนจมูไทยยสัตว์อันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาย่างถึงใจเช่นเดียวกัน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 ก็คือสติคือปัญญาสมมติทิฏฐิสมมาสังกโปได้แก่องปัญญาสมมาสตินักทา ม, มีทมทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบทำสมมากรรมันต์การงานชอบของผู้จะ หรือถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาคือโดยสม่ำเสมอ น, นี่ชื่อผู้สร้าง มักขึ้นมาภายในใจการนำมักออกแสดงต่อสู้ค่าศึกคือสมุ ท, ทยัยฆ่าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใดเช่นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาเ จ, จอเข้าไปลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไร คือคาดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่ง ท, ที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญ า, ญญาชะล้างความจองปลอมในความที่ว่ารักนั้นออกไปได้ด้วยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้น ในวัตถุนั้นนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจช้าล้างสิ่งจอมปลอมความศกปรกที่กิเลสมันเดี่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไวทั้งทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามสีตามนุเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญา ออกจากตาเรียกว่าชาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดำนามีแต่เครื่องชาบทาของกิตเดชทั้งหมวลเวลาเตอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีสัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ชาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้ น, น, นตอ น, ตอน พระฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แลภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัว อันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้เราต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีการพิจรารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาวาจาเราก็กล่าวตามหลักสันเลขาธรรมสิบประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงศาลกา ร, การบ้านการเมืองการซื้อการขาย เรื่องหยินเรื่องชายเรื่องกิเลสทันหาขคมมาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟอ้อเหอือเหอิมไปตามสิ่ง น, นั้นเข้ามาเพิ่มเติ ม, เ, ตมเข้าอีกท่านเรียกว่าสันเลยขาธรรมพูดอันไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกําลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียนให้เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยิน สันเลยก็ทําจากกันและกันนะมาวาจาร์สมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจมันจะเป็นยาพิษเผาโรมนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนไหนพยายามรักษาจิตใจของตน ด้วยสติปัญญาให้ดีโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามท่านแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจิตติิพิจ น, นาขี้คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายหเห็นได้แจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดามนีเรียกว่าเรื่องขีบชอบ รักษาใจชอบนำอาหารคือทมรมารดเข้าถือใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลุนติดใจย่นเข้ามาอย่างนี้นะปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ ครอบนำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะก็ระลึกในสิ่งที่จะถอดถอนยิ้เลลทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปฐานสี่พิจารนากายก็มีสติพิจารนาเวทนาก็มีสติพิจารนาจิตก็มีสติธรรม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 อาสร้างทำสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ตีบตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลํำดับลำดั บ, ดบไม่ให้ตีบตันอันตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยสาสนาธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะ เบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนั่ไปส่วนนี้ให้แต่กระจายออกไปหรือเพอิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกจิตใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณา สิ่งที่กีดขวางกีดใจจิตใจย่จจยยอมกล้าได้ได้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉนาดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้ป้า ง, างขวางต่อตอนเองได้มากเท่านั้นไปได้วยความราบรื่นไปได้วยความสะดวกสบายไปได้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตอนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตอนเอง ไปได้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดขีดขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาที่ลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าคว้าตันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายกายนอกก็าตามกายในก็าตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึง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 าเป็นของสวยของหนานอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกน่ะเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุอุปโงทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกรปรกโสมมทั้งหลายมันเห็นชัดเจน ด้วยปัญดาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใครชอบใจมีแต่กิเลสจอมโกหกเท่านั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เนื้อนาะพิจารณาเข้าไปจริงแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจำปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลอา้าวแตกสลายลงไปนี้มันเป็นอะไร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 เหงแจ้งชั ด, ชดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงไัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาจิงหยับๆยารู้แล้วมันจะไปไหนอิก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 มันสร้างตัวของมันตามขาแขนงต่างๆอย่างนี้เอาพิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกาและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลส ต, ตามหักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสําคัญเมื่อเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสนะ่ ความหลงความสําคัญนั่นแหละเป็นที่เลสพิจารณาเข้าไปอเป็นกิเนีลยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่เลสเ น, นี่ยเวทนาต่างๆนี้ไม่ไเป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสําคัญรู้ตัวสําคัญแล้วตัวสําคัญก็ถอยเข้าไปเวทนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลําดับตำดาไม่หลงอย่างเงื่อนนี่ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณา เวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชาติเฉียอันนี้มันปลดวางได้มันเข้าใจได้ส่วนเวทนาที่อยู่ภายนาจิตส่วนมากมากักจะเป็นสุขอย่างละเอียดนมอันนั้นมันก็เหมือนกับตาที่อยู่ในคล้องนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้จะให้มันโดดลงไปหาน้ํา บึงน้ำบอ่อทานบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความํำคัญอย่างนั้นํำคัญอย่างนี้น่ะเป็นเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช้ญินญาณนับภาพว่าเขาเป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเอง มันก็เข้าใจเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่ราบๆเพียงแต่จำเฉยๆไม่ได้จำให้เป็นกิเลสกิเลสจะก็ถอนตัวเข้าไปถอนตัวเข้าไปจุดท้ายเรื่องอาการทั้งห้าคือรูปประขันได้เกี่ยร่างกายของเราเวทนาขันซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนติตใจ ย, ยกไว้ก่อนเนี่ยสัญญาขันสังขารขันมันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจ ไม่เป็นที่สงสัยแล้วที่เล็ดมันก็รวมตัวเข้ามาเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพลาดออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายยึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติ เมื่อปัญญาถึงขั้นในดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยดำลำดับลําดาทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกาลังของปัญญามีมีมากกิเลสก็อ่อนกําลังลงไปตติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดปุกเกิดความกล้าหาญชานันใยไม่สะทกสถานความว่าขี้เกียจขี้ค้านอันปเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมด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 ทำไปแล้วทําไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ อ, อสําคัญพาให้เกิดพาให้ตายาใรับความทุกข์ความลําบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นทิ้งที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดนิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้ว กฝ้าดินถลมเป็นไรวะฮึมันจะไม่ตัดเทือนสามโลกธาตนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวในสามแดนโลกธาตนี่เมื่อได้พังทลากรลงพานในจิตใจนี่แล้วอา้าวทีนี่เป็นยังไงกิดดวนี้อาวากาศของธรรมกับอาวากาศของโลกผิดกันอย่างไรมีรู้ได้ชัดอาวากาศอันนี้สูญไปหมาย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 มีสันติกิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอากิตอวกาศนั้นีน่และได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานนักจิตเป็นเี่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงนะแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วบ่ หมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆตัดออกหมดคือชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานามากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทาลายไปหมดแล้วรือว่าตั้งแต่อาวากาะของจิตุ้นร้วนคือจิตที่บริสุทธ์นั่นแหละเรียกว่าอาวากาะก็ได้เรียกว่าอะไรก็ ก็ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมติของโลกมเมื่อถึงกิจได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่กิจเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำตามทั้งหลายกิ่เต็มไปด้วยทุกข์และมหันตัดทุกข์มาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำนึงไปคข่ควรว่ามีกี่พวกกี่ค่าก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้น เป็นตัวสักขีพยานเลยเคราวนี้ได้พ้นแล้วอความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจับและและโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทําลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจญญาสร้างขารเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาจตะเววะเสสสบิดะมิลาลานิโรธาสา ร, าาร้างขาระอยู่ถูกเท่านั้นนั่นอาวัการของจิตอันนี้จิต ท, ที่พ้นจาก สึงดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันอยู่กา็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมาขีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กลู่ให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนอยู่โดยลำพังเป็นอิสระของตนอยู่เชนนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็น ความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิต ด, ดวงที่ไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงหนึ่งทานหนึ่งขันสามารถพูดได้ทุกอย่างไ ม, าไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูงูปลาปลไม่ได้รู้เต็มสัสดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นนั้นๆเนี่ยแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูงูปลาปลถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูงปลาปาไปด้วยนี่เมื่อได้สนับสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระ เวงวางไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังห่มยแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงจะว่าอาถานพ์หรือม่อาถรรพก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้น่ะละทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้า มาประกาศทำสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนํามาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะมะนันมีอะไรปิดบงังลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกกวิดถูรู้แจ้งโลกด้วยความเวื้องว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบางังมาห่มมาห่ อ, หอเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางบันกลางพื้นกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนะ นี่หละพระพุทธเจ้าท่านรู้สาวกทั้งหลายทั้งรู้กัอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกับวิสัยนั้นต่างกาันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องความรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมอนี่พูดถึงทั้งโทษทั้งคุนของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้ง ร, รมทั้งกิเลส ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นาไปพินิจพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมตินี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่โพะจะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่เด้อ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 มหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันอันเป็นสมมุติของโลกเท่านั้นดังภาษาบอกทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอส่วนจิตนั้นไม่พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนีถึงจะคลุกเคล้ากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองชิงนั้นกับเป็นเรื่องของเขาเอง ต่างอันต่างจริงไม่มาคุกค้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันอันจืงว่าพ้นโลกมันพ้นอย่างนั้นแล้วทมที่กรามาทั้งมวล น, นี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งไหนมีอยู่ทุกครั้งเป็นอาการิโกขอให้ยังลงศัตรธรรมทั้งสี่นี้เถิด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 มีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทยัยได้แก่การวัตถนาเพราะตถนาดีความสาระาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนีโรดความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกน่ะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็น อ, ว ก, นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยา ถึงว่าเป็นเป็นสถานที่ทํางานผลที่ออกจากสักจธรรมทั้งสีนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าผู้รูว้วัตถุดับผู้วัุมุทัยดับคืออะไรนะมรรคได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดไม่โรดแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุติ นี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการป่างทำในขณะที่เราใช้การเราท ำ, ำ, ง, ทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้ เ, เช่นเราทำด้วยขวานขวา น, ขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดมีดต้องติดมือทำด้วยซีลซีวต้องติดมือแต่โมรางานนี้เสร็จแล้วซีวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองปล่อยเอง เห็นสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามากมา ก, มากต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทํางานปราบรกิเลสให้เรียบพูดตรงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนะดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอณิจังทุขังหน้าตานี่ทางเดินนะปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอณิจังตามหลักของทุกขงังตามหลักของหน้าตาด้วยสติปัญญานะ พอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างจริงแล้วไม่ทะเลาะกันเรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจิงต้องแยกแยะเพราะการเทศน์นี่เทศนหลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแก่งแง้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละ สรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมมาอยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดมันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านเคยท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญา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 เมื่อบำรุงรักษาอยู่มาอยู่มาถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญารับฟาดฟันทำแบบพิเดชจะเป็นประเทไแบก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพันธุพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสันไม่สันก็ตามเถอดเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้น จิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่สอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือถ้าจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตนุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่าที่ตรงไหนเลยสัพเพสตานมาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก, กข์เกิดแก่เจิดตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นนานเจ้านั้นก็เวลาหนุตูเรื่อยไปสุคีตระนางปริหารตุนาน นั่นแหะทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแต่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากะไม่เอียงเพราะพระจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกเพอจะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีทำร่นร้วนทรงตัวด้วยทำร่นร้วนแล้วไม่มีคําว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่าน เรไปปฏิบัติเอาจรินเอาจังเดี๋ยหลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองหนึ่งไปยังไงใจที่กําลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างหเห็นประจกักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันติโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละ อาจจะได้ทำก่อเห็นสมควร